มาปฏิบัติแล้วเราก็เชื่อในพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าได้ประรุธรรมที่ท่านเผยแต่ออกมานั้นที่ท่านเขียนแผนที่ให้เราเดินนั้นเป็นสวากาตธรรมจริงๆไม่เป็นอย่างอื่นเมื่อเราปฏิบัติเข้าไปแล้วได้รับความร่มเย็นเป็นสุขอังด้านจิตใจจากนั้นพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าที่นําพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าท่านก็คงจะซึ้งในพระธรรม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 ต้องมีการพิจารณาใช้จิตใช้ปัญญาใช้ความเพียรเป็นพื้นฐานพระพระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อพวกท่านทั้งหลายอยู่ด้วยกันให้พวกท่านทั้งหลายซ้ำเนียกว่าอยู่เสมอว่าถ้าหากว่ามีโจรเอาเรื่อยมาเรื่อยอวัย ว, วะของพวกท่านพวกท่านยังโกรธให้โจรอยู่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 สรุปแล้วก็คือให้ใจเปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นใจให้มีเมตตาถ้าว่าพวกท่านทําอย่างนั้นได้นั่นละ่ะผู้ปฏิบัติตามำคําสั่งสอนของเราตถาคตอันนี้ก็คือเป็นแนวความคิดแต่พวกเราจะให้ทําอย่างนั้นจริงๆเอผมว่าก็คงจะยากแต่ว่าถ้าว่านํามาประพฤติบัติแล้วพวกเราก็ควรจะ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 ไม่เอาฐานเข้ามาอยู่แบบไม่สนใจอันนี้ผมว่าไม่ควรจะให้มีในวงการของพระกรรมฐานอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆองนะให้ตั้งอกตั้งใจที่ผมกล่าวทางนี้ท้งนั้นก็เป็นการกล่าวตอกย้ําให้พวกเราให้ซํานึกในการเป็นอยู่ ด้วยการบวชของพวกเราในครั้งนี้และกการภาวนาอย่างที่พ่อแม่ครูบายจารโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมก็ได้กล่าวไม่รู้ว่ากี่ครั้งตัวกี่หนเรื่องภาวนาจิตตภาวนาสติเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญสติให้มีน้อมนึกสติให้สำนึกอยู่เสมอสติ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 กิเลสราคะโทสะโมหะโลภโกรดหลงว่างจากใจฉันทากติโทสะกติพยาคติโมหกติว่างจากจิตใจฉันทากติก็คือความรักโทสะกติคือความไม่ชอบเกลียดพยาคติคือความผูกพยาบาทโมหกติคือความหลงไม่ให้มีอยู่ในใจของเรา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 โลกกระทอย่าให้มีความผูกพยาบาทอาฆาตทั้งหลายอย่าได้มีถ้าว่าทำจุดนี้เรียกว่าความคิดจุดนี้ออโลโกตัวนี้เป็นจิตใจที่สงบร่มเย็นที่สุดถ้าพวกเราทำได้ถึงจะไม่ว่างตลอดไปแต่มันว่างชั่วขณะหนึ่ง ก็ยังเห็นคุณค่าว่าความว่างของใจนั้นมีความสุขมีความสงบพร่มเย็นเป็นสุขใน จ, ใจิตใจเพราะความไม่ยึดกับอารมณ์ต่างๆพอะนั้นพวกเราทุกๆองนะอสอนมาถึงบอกมาถึงความว่างของใจพยายามทาใจให้ว่างทาใจให้สงบไม่ให้มีอารมณ์อะไรเข้ามามีอารมณ์อะไรเข้ามาก็พยายามดูปล่อยวาง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 อย่างพวกเราท่านทั้งหลายต่อไปก็เข้าวาัยชราใครๆก็ไม่พึงปราถนาทั้งนั้นคือความชราความแก่ความเจ็บความตายแต่ว่าไม่มีใครที่จะหลีกลี่หนีพ้นไปได้อันนี้ก็คือเห็นในตัวเองเห็นในประสบการณ์จากนั้นก็นเนี่ยเมื่อเห็นอย่างนั้นแล้วความมุ่งมั่นความตั้งใจจะทํายังไงที่พระพุทธเจา้าที่ท่านได้ตรัสรูพ้พระธรรมที่ท่านได้นมนุษยธรรม ท่านรู้สิ่งเหล่านี้ท่านก็ปล่อยวางไม่มาเวียนไหวตายเกิดในวัฏฏะสงสารจากนั้นพ่อแม่ครูบายอาจารย์ท่านก็อยากจะเป็นอย่างพระพุทธเจ้าจะไม่มาขอเวียนไหวตายเกิดอีกพยายามถอดถอนกิเลสภายในใจคือราคะโทสะโมหะออกจากจิตใจจากนั้นมีความพยายามมีความมุ่งมั่นไปเรื่อยๆจนได้ถึงจุดหมายปลายทางอันดับแรกก็อย่างพวกเราท่านทั้งหลายที่ล้มคลุกคลาน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 พวกเราก็เดินเข้าไปใกล้อย่างเต็มทนอย่างที่พระอาราหันตสาวกในคลังพระพุทธเจ้าสมัยก่อนท่านบำเพ็ญในศาสนาของพระพุทธเจ้ากัสถะพระพุทธเจ้าองค์ก่อนพอมาถึงในศาสนาของพระโคตมะท่านก็ได้สําเร็จได้เอาง่ายงเพราะท่านได้บำเพ็ญมาอย่างเต็มเปี่ยมแล้วอันนี้ก็เหมือนกันถ้าว่าพวกเรามีความพยายามมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจจริงบำเพ็ญตนเอาจริงจัง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 เพราะว่าเราเทินทางไกลมาพอสมควรแล้วอันนี้ก็คือไม่เสียหายถ้าพวกเราประพฤติปฏิบัติหรือว่าเรารักษาศีลภาวนาไปเรื่อยๆอย่างที่พระอรหันตสาวกทั้งหลายที่ท่าน เ, เป็นตัวอย่างของพวกเราเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะจุดหมายปลายทางก็เนี่ยวิธีการทําสมาธิเมื่อทําสมาธิแล้ว แต่ผมไม่ได้สอนให้พิจารณาทางอื่นให้พิจารณาดูใจทําใจให้ว่างเสิโอโลโกเออทําใจให้ว่างทาโลกให้ว่างมองโลกให้ว่างว่างหมดเราจะไปยึดมั่นถือมั่นทําไมอันนั้นก็คือธาตุสี่ดินฟ้าอากาศกุฏิศาลาของใช้ต่างๆมันไม่ใช่ของเราทั้งนั้นใจของเราไปกว้าน้ำเหลวเฉยๆเพราะนั้น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 ไม่ได้ทั้งนั้นแปลว่าเราคว้าด้วยเราคิด เ, เรามุ่งหวังผิดไปอย่างมาก เ, เพราะนั้นท่านจึงว่าให้ดูสิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งปวงรอบด้านของเราให้ว่างปล่อยให้ว่างใจให้ว่างเมื่อใจของเราว่างแล้วนั้นเราจะพบบรมสุขในใจของพวกเรา เ, เมื่อใจของเราเห็นอย่างนั้นแล้วจิตใจของเราไม่ยึดมัน่นไม่ถือมัน่น